จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีจิตไฝ่บุญไฝ่กุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาที่วัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดีสร้างความสุขสร้างความจเจริญ ให้กับตนและผู้อื่นด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมอันเป็นการปฏิบัติตามแนวทางพระธรรมคำสอนของพระพุทธจเจ้าที่ได้ทรงสอนศรัทธาญาติโยมพุทธาาศาสนิกชน ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทนี้หมายถึงไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปอย่าคิดว่าไว้ค่อยทําวันหลังก็ได้ไว้ค่อยทําวันหน้าก็ได้เพราะไม่รู้ว่าวันทํางหน้าจะมีโอกาสอย่างนี้หรือไม่เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย พี่กนพี่การไม่สามารถมาวัดก็ได้หรือเราอาจจะตายไปก็ได้เรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราอย่าประมาทให้เตือนตนอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปได้ แต่สิ่งที่เราจะทำได้ในขณะที่เรายังเป็นปกติสุปอยู่ก็คือสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและให้กับผู้อื่นเพราะเมื่อทำแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขมีความร่มเย็นมีเกราะคุ้มกันภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในลําดับต่อไปภัยที่เกิดจากความแก่ ภัยที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยภัยที่เกิดจากความตายภัยที่เกิดจากการพัดพากจากกัน <c oughs> จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้ามาสู่ใจของเราได้ไม่สามารถมาเหยียบย่ำทำลายให้เราต้อ ง, อ ง, งร้องห h มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจให้เราหวาดกลัวได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำอะไรกับใจของเราได้นั่นเอง นอกจากเพียงแต่ว่าใจของเรานั้นยังไม่ฉลาดยังไม่มีวุญไม่มีขุนศนั่นเองจึงทำให้คิดไปต่างๆนาน า, นากับเหตุการณ์ต่างๆพอมีเหตุการณ์ที่ไม่ถูกอกถูกใจไม่ชอบใจก็จะหวาดกลัวก็จะมีความทุ์มีความวุ่นวายใจแต่ความจริงไม่มีอะไรสามารถทำให้ใจ เป็นอะไรไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายก็จะเป็นได้แก่เพียงร่างกายเท่านั้นแต่ใจกลับไปวุ่นวายแทนร่างกายร่างกายนี้ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ร่างกายนี้เหมือนกับนาฬิกาที่เราห้อยอยู่บนในที่เราห้อยอยู่ที่เราแขวนใส่อยู่ในข้อมูลของเราเวลานาฬิกามันเดินมันไ ม, มน่มันก็ไม่รู้ว่ามันมีชีวิต เวลามันหยุดเดินมันก็ไม่รู้ว่ามันตายแต่คนที่รู้คือใจนี้กับวุ่นวายไปกับนาฬิกานาฬิกานาฬนาฬิกาไม่เดินก็ปวดหัวก็ต้องเอาไปซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ต้องโยนทิ้งไปก็ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ความจริงแล้วใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับนาฬิกาเลยชั้นใดร่างกายก็เป็นเหมือนนาฬิกาของใจ ร่างกายนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหรือมันตายมันหายใจเข้ามันหายใจออกอยู่มันก็ไม่รู้มันก็เพียงตามตามหน้าที่ของมันเหมือนกับนาฬิกานาฬิกามันมีหน้าที่หมุนมันก็หมุนของมันไปเรื่อยๆมันไม่รู้ว่ามันหมุนหรือมันไม่หมุนผู้ที่รู้ก็คือใจถ้าใจไม่หลงคิดว่านาฬิกาเป็นใจแล้ว เวลานาฬิกาเป็นอะไรไปใจก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนใจก็จะรู้สึกเฉยๆนาฬิกาเสียก็เอาไปซ่อมซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็โยนทิ้งไปมีเงินก็ซื้อนาฬิกาอันใหม่มาใส่ก็เท่านั้นเองใจของเรากับร่างกายก็เป็นอย่างนั้นร่างกายของเราก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกับมันเสีย เมื่อมันเสียก็ต้องส่งเข้าไปลงซ่อมไปโรงพยาบาลให้หมอเขาเช็กดูตรวจดูว่าเป็นอะไรแล้วหมอก็ให้ยามารับประทานหรือถ้ามีอะไรที่ไม่ดีก็ผ่าก็ตัดมันออกไปหลังจากนั้นแล้วมันก็กลับมาเป็นปกติก็ใช้ร่างกายนีต่อไปได้อีกจนในที่สุดสักวันหนึ่งจะซ่อมอย่างไรจะทำอย่างไร ร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะซ่อมมันได้ก็ต้องโยนทิ้งไปส่งไปให้สั ป, ปหลหสั ป, ปหลหก็จัดการเอาไปเผาต่อเท่านั้นเองแต่สั ป, ปหลหเผาได้แต่เพียงร่างกายเท่านั้นใจนี่เผาไม่ได้ใจนี่ไม่ได้อยู่กับร่างกายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาคนตายนี่เราเอาอะไรไปทิ่งไปแทงร่างกายจะไม่รู้สึกอะไรมันจะไม่สะดุ้งไม่ผวา แต่ถ้าขณะคนที่ยังมีชีวิตอยู่เอาเข็มฉีดยาไปทิมนิดหน่อยก็สะดุ้งแล้วตัวที่สะดุ้งนี้ไม่ใช่ร่างกายตัวที่สะดุ้งนี้คือใจใจนี้ถ้าเปรียบมันก็เหมือนกับคลื่นวิทยุเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นคลื่นวิทยุก็เหมือนกันเราไม่สามารถมองเห็นกันได้แต่เรารู้ว่ามันมีอยู่หรือไม่มีเวลาที่เราเปิดวิทยุขึ้นมา ถ้าเปิดวิทยุแล้วมีเสียงมาจากสถานีนั้นสถานีนี้ก็แสดงว่ามีคลื่นอยู่ส่งมาจากสถานีนั้นสถานีนี้นั่นเองแต่เรามองไม่เห็นคลื่นฉันใดใจของเรานี้เราก็มองไม่เห็นแต่เราแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีใจเพราะถ้าไม่มีใจแล้วในขณะนี้จะฟังไม่รู้เรื่อง เช่นเอาคนตายมานั่งมานั่งอยู่ตั้งอยู่ที่ศาลานี้ต่อให้พระสวดดังขนาดไหนพระเทศดังขนาดไหนคนที่ตายนั่นจะฟังไม่ได้เพราะไม่มีตัวรับรู้ผู้รับรู้นี่คือใจเวลาเสียงเข้าไปกระทบกับหูแล้วก็จะส่งเข้าไปสู่ใจอีกทีหนึ่งถ้าไม่มีใจก็เหมือนกับพูดกับท่อนไม้ท่อนเฟิน พูดกับนาฬิกาพูดกับรถยนต์สิ่งเหล่านี้ไม่มีใจไม่มีดวงวิญญาณเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นฉันดาร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับสิ่ง อ, อื่นเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าในขณะที่มีร่างกายครอบครองอยู่ mm. ก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวมีตนว่าเป็นเราเป็นของเรา ความรู้สึกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความหลงเป็นความเห็นผิดเป็นชอบไม่ได้เห็นเป็นตามความเป็นจริงใจไม่ได้เป็นร่างกายแต่ใจไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเป็นตัวเป็นตนความจริงร่างกายนี้ก็เหมือนกับนาฬิกาเหมือนกับรถยนต์มันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นเทียงแต่สิ่งที่เราผลิตขึ้นมามีชิ้นส่วนต่างๆประกอบกันขึ้นมา ทำให้เป็นนาฬิกาทำให้เป็นรถยนต์ร่างกายนี้ก็เหมือนกันก็ประกอบขึ้นมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปถ้าเราไม่รับประทานอาหารเราร่างกายนี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้เวลาออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วต้องมีอาหารแม่ต้องเลี้ยงนมให้เมื่อโตขึ้นหน่อยก็ให้ข้าวให้อะไรต่างๆ ร่างกายถึงค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาได้อาหารนี่แหละคือตัวที่ไปทำให้มีร่างกายขึ้นมาดังนั้นร่างกายกับอาหารจึงเป็นสิ่งเดียวกันมาจากร่างกายมาจากอาหารอาหารก็มาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟ เ, เวลาที่คนตายไปแล้วทิ้งไว้เดี๋ยวน้ำก็ไหลออกมาหมดอากาศก็ระเหยออกไปหมด ไฟคือความร้อนก็หายออกไปหมดเหลือแต่ดินคือร่างกายทิ้งไว้เข้าไปนานๆนนมันก็ผุมันก็กลายเป็นขี้ฝุ่นไปกลายเป็นดินไปถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไฟพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเรา เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นแล้วมีใจนี้มาครอบครองเป็นเจ้าของแล้วก็มีความหลงมาหลอกให้ใจยึดติดให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราพอมีความหลงยึดติดแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็เกิดความวิตกเกิดความหวั่นไหวเกิดความหวาดกลัวขึ้นมา เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เริ่มคิดแล้วว่าจะตายหรือเปล่าในขณะที่ยังไม่ตายเวลาเห็นคนอื่นตายก็วิตกแล้วว่าเมื่อไหร่เราจะตายกับเขานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเราจะได้ปล่อยวางเพราะถ้าเราปล่อยวางแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนเหมือนกับสิ่งต่างๆที่เราปล่อยวาง สิ่งไหนถ้าเราไม่ยึ ด, ไ ม, ยดไม่ติดว่าเป็นของเราเราจะไม่เดือดร้อนเช่นบ้านของคนอื่นเวลาไฟไหมเราจะไม่เดือดร้อนรนยนต์ของคนอื่นเวลาเสียไปหรือพังไปเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนหวาดกลัวหรืออย่างไรแม้แต่ร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรคนอื่นจะเป็นจะตายเราก็ไม่รู้สึกอะไรถ้าเราไม่ไปยึดไปติดกับเขาเท่านั้น แต่ถ้าเราไปยึดไปติดเช่นไปยึดว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกของเราพอเวลาเป็นอะไรขึ้นมาเราก็หวาดกลัวเราก็วิตกกังวลเราก็มีความห่วงใย ห, หรือมีความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เขาจากเราไปเพราะเราไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นของเรานั่นเองถ้าเราลองพิจารณาดูเราจะเห็นว่า สิ่งใดหรือคนบุคคลใดถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่วุ่นวายใจเราจะไม่เดือดร้อนคนที่เราไม่รู้จักเขาจะเป็นอะไรอย่างไรเราก็รู้สึกเฉยเฉแต่คนที่เรารู้จักแล้วเราไปหลงคิดว่าเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นลูกของเราพอเขาเป็นอะไรไปเราก็ต้องเดือดร้อนใจขึ้นมา พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราแยกแยะความจริงซึ่งมีอยู่สองลักษณะด้วยกันความจริงที่เป็นความจริงตายตัวไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเช่นดินน้าลงไฟและอีกอย่างก็คือความจริงที่เป็นชื่อเป็นเสียงที่เราสมมติกันขึ้นมาเราสมมุติว่าคนที่ให้กาเนิดเราว่าเป็นพ่อเป็นแม่เรา เราสมมุติว่าคนที่เป็นคู่ครองของเราเป็นสามีเป็นภรรยาของเราเราสมมุติว่าคนที่ออกมาจากท้องของเราว่าเป็นรูปของเราแต่ความจริงทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่า น, นั้นมันเป็นดินน้ำลมไฟเมื่อมันมารวมตัวกันเข้ามันก็เป็นรูปร่างต่างๆ เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นคนเป็นเป็นคนตายมันก็มีอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟกลับไปเท่านั้นเองนี่คือธรรมชาติของร่างกายความจริงของร่างกายของเรามีอยู่สองลักษณะความจริงที่เป็นสมมุติและความจริงที่เป็นความจริงที่ตายตัว ความจริงที่ตายตัวก็คือร่างกายของเราทุกคนเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองมีใจมาครอบครองเป็นเจ้าของพอร่างกายนี้หยุดทํางานไม่หายใจมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปใจก็ไปหาร่างใหม่ต่อไปตามแต่บุญแต่กรรมที่ได้ทํามาถ้าทําบุญมาก็จะได้ร่างที่ดีกว่าเดิม ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมมีฐานะที่ดีกว่าเดิมมีความร่ำรวยที่ดีกว่าเดิมเป็นต้นเพราะบุญเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้ไปเกิดในที่ดีถ้าทำบาป ก, ก็ต้องไปเกิดในที่เลวกว่าเดิมได้ร่างกายที่ไม่ดีเช่นได้ร่างกายของสุนัขของแม ว, ข อ, ข, ออวของของวัวของควายอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ต้องไปใช้กรรมอยู่เป็นวัวเป็นควายเป็นสุนัขเป็นแมวจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมเมื่อหมดเวรหมดกรรมก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ร่างกายใหม่ก็จะวนไปเวีนมาอย่างนี้จนกว่าจะปล่อยวางไม่ไม่อยากจะเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากจะเกิดจิตก็จะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นจิตของพ่อพระพุทธเจ้าและจิตของพระอรหันต์เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปจิตดวงนั้นจะมีความสุขมีความพออยู่ตลอดเวลามีปัญญารู้ทันความหลงที่จะหลอกให้ไปเกิดเพราะคิดว่าเกิดแล้วจะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่าความสุขที่ได้จากการเกิดนั้นมันมีความทุกข์เป็นเงาตามตัวมา เกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่พอแก่แล้วก็ทุกข์แล้วพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์พอตายก็ทุกข์ mm. พอต้องพัดพากจากคนนั้นจากคนนี้ไปก็ทุกข์ mm. ผู้ที่มีปัญญาจะไม่กล้าเกิดจะไม่อยากจะเกิดเพราะรู้ว่าเกิดแล้วมีแต่ความทุกข์เกิดไปทำไม mm. ไม่เกิดก็มีความสุขยิ่งกว่าเสียอีกจิตของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้น จิตของพระพุทธเจ้าได้ทำความดีจนถึงจุดสูงสุดแล้วทำให้ท่านสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้ไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากเป็นอยาไม่อยากจะไม่อยากจะไปเกิดอีกเพราะว่าจิตของท่านนั้นมีความดีมีบุญมีกุศลหล่อเลี้ยงจิตใจ ให้มีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลานั่นเองส่วนจิตของพวกเรานั้นยังมีความหิวมีความอยากมีความต้องการอยู่เพราะเรายังไม่ได้ทำความดีให้ถึงพร้อมนั่นเองเรายังทำสิ่งที่สร้างความอยากให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆสิ่งนั้นก็คือความอยากนั่นเองเวลาเราอยากแล้วความอยากนี้จะไม่หมดไปอยากได้อะไรพอได้มาแล้ว เดี๋ยวก็อยากจะได้ใหม่อีกพอได้ใหม่อีกก็อยากจะได้ใหม่อีกเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เราเกิดมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเวลาตายไปใจก็ยังมีความอยากอยู่ก็จะไปหาร่างกายอีก ไ, ไปเกิดใหม่เพื่อจะได้ไปทำตามความอยากอีกต่อทำไปเรื่อยๆมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนับไม่ท้วน และจะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เจอพระพุทธเจ้าเรือเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าต้นตนะฮะต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์ในใจของเราก็คือความอยากนี้ทั้งนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ก็ต้องอย่าไปเกิดต้องเจริญทาความดี ให้มากเช่นทำบุญทำทานให้มากรักษาศีลให้มากปฏิบัติธรรมให้มากฟังเทศฟังธรรมให้มากเพราะเราจะได้รู้วิธีกําจัดความอยากเมื่อเรากําจัดความอยากได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับไว้อีกต่อไปถ้าเราไม่อยากได้อะไรแล้วเราจะไปทุกข์ไหมเวลาที่เราไม่ได้ถ้าเราอยากได้แล้วเราไม่ได้เราก็ทุกข์ พอเราได้มาเราก็ดีใจแต่เดี๋ยวเดียวเราก็อยากจะได้สิ่งใหม่อีกแล้วไม่เพราะว่าความอยากไม่ไม่มีขอบไม่มีเขตนั่นเองไม่มีที่สิ้นสุดความอยากไม่ได้ดับด้วยกะด้วยการทําความทําตามความอยากความอยากจะดับได้ต่อเมื่อเราเสง่ยความอยากเวลาเราอยากได้อะไร พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้เหตุผลให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มีความจําเป็นต่อการดํารงชีพหรือไม่ถ้าไม่มีสิ่งที่เราอยากได้นี้แล้วเราจะตายหรือไม่ถ้าเราตายก็แสดงว่ามันมีความจําเป็นอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นความอยากเป็นความจําเป็นเอามาได้เช่นต้องมีอาหารรับประทาน ถ้าไม่มีอาหารน่ประทานเราร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีร่างกายอยู่เราก็จะไม่สามารถทำความดีทำกุศลต่อสู้กับความอยากทําให้สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้เรายังต้องอาศัยร่างกายนี้อยู่เพื่อมากำจัดความอยากแต่เราต้องระมัดระวังไม่ให้ความจำเป็นความต้องการของร่างกายนี้เป็นเหตุให้เกิดความอยากขึ้นมา เราต้องอยากเท่าที่จําเป็นเท่านั้นอาหารเราก็ต้องรับประทานพอสมควรพอให้อิ่มก็พอไม่ให้รับประทานตามความอยากเมื่เราท้องอิ่มแล้วยังอยาก ร, รับประทานอีกเราต้องหยุดรับประทานอย่าไปรับประทานถ้าเรารับประทานแล้วเดี๋ยวมันจะรับประทานไปเรื่อยๆจนร่างกายนี้มีน้ําหนักเกินกลายเป็นคนอ้วนไปอย่างนี้แสดงว่า เกินความจำเป็นกินตามความอยากแล้วถึงลดน้ําหนักยําบากคนที่กินตามความอยากรู้ว่าตัวเองอ้วนแต่ไม่มีกาลังจิตกําลังใจที่จะต่อสู้กับความอยากได้แต่ถ้าเราใช้ธรรมะคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้ามามาต่อสู้แล้วเราตดต่อสู้ได้เราต้องมีความแน่วแ น, วแน่ต่อเหตุต่อผลอย่าทำตามอารมณ์ เมื่อเรารู้ว่าร่างกายมันได้รับประทานอาหารพอเพียงแล้วก็อย่าไปบังคับมันอีกเหมือนกับเวลาที่เราเติมน้ํามันพอน้ํามันมันล้นแล้วเต็มถังแล้วอย่าใส่เข้าไปอีกไม่เกิดประโยชน์อะไรร่างกายเวลารับประทานอาหารอิ่มแล้วก็ควรจะหยุดอย่ากินเพิ่มขึ้นไปถ้าเรารู้ว่าเรามีน้ําหนักเกินความจําเป็นเราก็ต้องอย่ากินมากพยายามลดน้ําหนัก ให้มันอยู่ตามปกติเราทำได้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรขอให้เรามีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับความอยากขอให้เราเตือนสติเสมอว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ผลักดันให้เราต้องไปผุดไปเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ มาไม่รู้จักจบจากสิ้นเป็นเวลาอันยาวนานแสนนานและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่กําจัดความอยากความอยากายานี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราใช้เหตุใช้ผลเป็นองค์ประกอบแล้วก็ให้เราฝึกทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้นิ่งเพราะเวลาจิตใจนิ่งความอยากจะไม่สามารถทํางานได้เหมือนกับรถยนต์ ถ้ารถยนต์จอดอยู่เฉยๆคนที่นั่งอยู่ในรถจะไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ต้องให้รถยนต์วิ่งเสียก่อนถึงจะไปได้ฉันใดความอยากก็อาศัยการทํางานของใจเวลาใจคิดแล้วคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ความอยากมันก็ตามมาได้พอคิดถึงขนมก็น้ําลายหกพอคิดถึงอาหารก็อยากจะรับประทานขึ้นมาแต่ถ้าไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลย เช่นในขณะนี้เรากําลังฟังเทศฟังธรรมอยู่เราไม่มีโอกาสที่จะไปคิดถึงเรื่องอาหารเรื่องขนมเราก็ไม่รู้สึกอยากจะกินอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ควบคุมจิตใจปล่อยให้จิตใจไหลไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอคิดถึงขนมพอคิดถึงอาหารขึ้นมาก็จะหยุดมันไม่ได้เราจึงต้องหัดหยุดใจให้ได้วิธีที่จะหยุดใจก็คือการทําสมาธินี่เอง ฝึกทำสมาธิควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆบังคับให้ใจคิดอยู่เรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่กับคำว่าพุโทโธพุโทโธคิดไปไดเรื่อยๆอยู่แต่คำว่าพุโทโธถ้ามันคิดอยู่กับพุโทโธมันก็ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องอื่นได้แต่ถ้าเราเผลอเราปล่อยให้มันไปคิดเดี๋ยวเราก็ไม่สามารถนั่งอยู่ในสมาธิได้พอพุโทโธไปได้คำสองคาก็นึกถึงอาหารนึกถึงขนม เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งก็ทนนั่งอยู่ไม่ได้ก็อยากจะลุกขึ้นไปรับประทานอาหารอยากจะลุกขึ้นไปขึ้นไปกินขนมนะแต่ถ้าเราควบคุมใจด้วยสติบังคับให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวเวลาจะไปคิดเรื่องอะไรก็รีบดึงกลับมาให้ดึงกลับมาอยู่ที่พุโทโธพุธโทโธไม่นานจิตของเราก็จะนิ่งเหมือนกับรถยนต์ที่เราคอยเบรกอยู่เรื่อยๆคอยเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วรถมันก็ต้องหยุดนิ่งฉันใดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นพุโทโธก็เป็นเหมือนตัวที่จะเบรกใจถ้าเรามีมีพุโทโธอยู่เรื่อยๆอยู่ในใจของเราก็เหมือนกับเราคอยเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วใจก็จะหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งแล้วใจก็จะเกิดความอิ่มขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาเพราะความอยากได้หยุดทางานไปชั่วคราว แต่พอออกจากความสงบแล้วความอยากก็จะปรากฏขึ้นมาอีกเราก็ต้องใช้เหตุผลมาเป็นตัวต่อสู้ถ้าไม่จาเป็นก็อย่าไปเอามาอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วต่อไปเราก็จะสามารถชนะความอยากต่างๆได้เมื่อไม่มีความอยากอยู่ในใจของเราแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความหวาดกลัว เช่นร่างกายของเราเราจะไม่หวาดกลัวเลยว่ามันจะเป็นอะไรถ้าเราใช้เหตุใช้ผลเราพิจารณาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาลวงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นี่คือความจริงเป็นเหตุผลถ้าเราเอาเหตุผลนี้มายืนยันกับความกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตาย ต่อไปเราก็จะไม่กลัวเพราะความกลัวนี้มันไม่สามารถที่จะต่อสู้กับความจริงได้ความจริงนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะมารบล้างได้เมื่อเราไม่มีความกลัวแล้วต่อไปเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้หวั่นไหวไปกับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือวิธีที่เราจะใช้ต่อสู้ กับความอยากต่างๆความกลัวนี้ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งความกลัวนี้ก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองเมื่อเรามีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาเราก็เกิดความกลัวขึ้นมากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายแต่พอเราเอาเหตุผลเอาความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรานํามาต่อสู้กับความกลัวก็คือว่ากลัวไปทําไม แก่กลัวก็แก่กลัวก็ต้องเจ็บกลัวแล้วก็ต้องตายเหมือนกันแต่ถ้าไม่กลัวแล้วจะไม่ทุกจะไม่หวั่นไหวนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถเอาชนะได้ก็คือความทุกความหวั่นไหวต่างๆกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเมื่อเราไม่หวั่นไหวแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายทั้งในขณะที่ยังไม่แก่ และในขณะที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะที่ยังไม่ตายและเวลาที่แก่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยและตายไปเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราไม่เอาเหตุผลความจริงนี่มาสอนใจเอามาต่อสู้กับความกลัวแล้วเราก็จะกลัวไปเรื่อยๆขณะที่ยังไม่แก่เราก็กลัวแล้วเวลาคิดถึงความแก่ เวลาเจ็บไข้ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลัวแล้วเวลาคิดถึงความตายก็กลัวแล้วทั้งที่ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ตายเลยเพราะเราไม่มีความจริงอยู่ในใจของเราเราไม่มีเหตุไม่มีผลเรามีความหลงความหลงที่อยากจะให้เราอยู่ไปนานๆอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายนี่คือสิ่งที่เราต้องทาลายด้วยความจริง ความจริงที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงที่ทําให้พระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราให้พิจารณาอยู่เสมอเสมอนั่นเองเมื่อเรามีเหตุผลอยู่ในใจของเราแล้วความหลงก็จะถูกทําลายไปความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะถูกทําลายไปเช่นเดียวกัน แล้วเราจะอยู่อย่างสบายใจไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายของเขาของเราเป็นเหมือนกันเมื่อเวลาร่างกายของเขาเป็นอะไรเราไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายของเราเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกันเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนกันถ้ามีความจริงมีเหตุผลมีปัญญาก็จะเห็นอย่างนี้ถ้ามีความหลงก็จะแยกว่าเป็นของเรากับเป็นของเขา ถ้าเป็นของเขาไม่เดือดร้อนถ้าเป็นของเราจะเดือดร้อนนี่คือความหลงต้องกําจัดให้ได้ต้องให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราทั้งสิน้นเป็นของดินน้ำลมไฟทั้งนั้นสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเอามามาเอาคืนไปคือดินน้ำลมไฟเขาก็จะต้องมาเอากับคืนไปแต่ใจของเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายและจะต้องจะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปด้วยนี่คือ สิ่งที่เราจะได้รับจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่สงสอนให้เราจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจึงขอให้ท่านได้นําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขและความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไป